เร า, าฟังธรรมอันต่ออีกที่เป็นส่วนเรื่องของพวกเร า, าชวนกันร่วมกันเห็นด้วยกับการบอสขึ้นของพระพุทธเจ้าจริงๆในคืนวันนี้ในเวลานี้แหละประมาณเวลานี้แหละ 2,600 ปีคือ okay, เวลานี้ชาวพุทธทั่วประเทศก็ฉลองการตัดสรลูของพระเจ้าซึ่งเป็นการตัดสรลูกเป็นสาคนของโลกลที่ยอมรับว่าพระเจจาอุบัติขึ้นในโลกจริงๆ ในวันนี้ก็พิสูจน์กันมาสอง0ันห้อยปีมีผู้พิสูจน์มีผู้ศึกษาปฏิบัติตามก็มีพุทธบริษัทเกิดขึ้นมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกวาชิกาภิกษุภิกษุณีอบาสกวาชิกาก็มี มาจรฐานของการใช้ชีวิตที่เปลียนแบบอย่างให้เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็คนหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาว่าเออชีวิตเรานี่มันพัฒนาได้เรื่องมนุษย์สามา่ถสร้างคุณธรให้เกิดขึ้นต่อชีวิตเราได้ มีแบบอย่างเช่น <c oughs> อาพระเจ้าจากสามัญชนพัฒนาเป็นทางที่ผิดที่ถูกกลุ่มลูกกุก ข, ข, ขานจนได้ทิศได้ทางอวดขึ้นมาเป็นพระเจ้าผ ม, าาา ม, ามทัพบธรรมคำสอนจึงมีหลักฐาน ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมก็เกิดเป็นพระ ส, สง์ขึ้นมาเช่นพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในวันนี้วันเพ็ญเดือน6แต่ปีนี้มันเป็นวันเพ็ญเดือน7ในจันลกขติโุฬยาคติต่างกันไปจากนี้ไปอีก เดือนที่สามจากวันเพ็ญเดือนหกถึงวันเพ็ญเดือนแปดถึงได้จสดงดืธรรมมีพระธรรมเกิดขึ้นมีผู้หลักมีผู้ได้เห็นได้ฟังแล้วก็ได้รู้ธรรมได้รู้ตามเช่นอนยาโกลนยา <c oughs> ในเดือนที่ส เปิดพระสงฆ์ขึ้นมาเป็นรัตนาตายพระพุทธพระถมพระสงฆ์เปิดขึ้นภระในสองสามเดือนก็มีหลักฐานอย่างนี้มีตัวมีตนมีประวัติที่สมบูรณ์แบบในธรรมก็มีหลักฐานพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีจำกัดการ ผู้ปฏิบัติก็ต้องทำด้วยตนเองก่อนที่จะต้องมาใส่ตัวเราไม่อะไรก็บอกกล่าวปลอร้องกันไปเป็นอย่างไรเกิดพระสงฆ์ขึ้นมา <c oughs> มูชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมวิฎาย เกิดเป็นมักเป็นผลขึ้นมาเดือนที่สามสแสดงทาเกิดมีพระสงค์จากเดือนที่สามไปอีกแปดเดือนมีพระสงค์เกิดขึ้นเป็นลัตตที่สามหนึ่งันสองรห้าสิบลูกในวันเพ็ญเดือนสามตับแต่ตันน้งแต่วันตัดสรู นับตั้งแต่วันแสดงธรรมถึงเดือนเดือนเป็นวันเป็นเดือนแปดถึงวันเป็นเดือนสามนี่วานแปดเตือนนี้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นมีล้วนแต่เป็นพระหานทั้งหมดหนึ่งพันสองรห้าสิบลูกจึงมีหลักเมถานพระหานที่ก็มีชื่อเอตตะคาทั้งนั้นได้รูปประวัติ <c oughs> ได้รูดแหล่งได้ไปดูบ้านเกิดเมืองนอนล้วก็ทำที่พระอาหารหันต์ทั้งเอตทัคขะที่ดังๆเราก็นำมาเป็นแบบอย่างสามารถเอาเป็นตัวอย่างได้ปฏิบัติตามเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่าง เจ็ดพัญยากรัญญ า, ญญาพระพระไม่ใช่อัญญากรธัญญาตัหากระจับปะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในป่าตลอด ก็เป็นแบบอย่างต่ไม่เกิดพวกเรามาอยู่ในป่าเพราะมหากัะสปะนี่เป็นเอตตัคขะเลิดในทางนัดปฏิบัติเจอเท่ารุ่นลาวเขาเดียกูที่เจ้าทรงผ้าจีวรเผืนเดียวกันได้มีสองลูกมหากัะสปะและผู้ที่เจ้า พอสอลูกอื่นห้ามใช้จีวรแบบพระพุทธเจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเพื่อนเคยชวนพระหมาคาจปะอยู่แต่ป่าจะดงเท่าแก่แล้วชวนไปอยู่ในบ้านเชิตะวันด้วยกันคาจปะเอ้ยเธอเพื่อนแก่เท่าแล้วควรจะมาอยู่ในที่เพื่อนกันในบ้านในเมืองนี่ การสักปาขอทูลอทูลตกว่าขออยู่ในปา่าเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างของคุณบุตรลูกหลานทฏิบวตสุดท้ายภายหลังขอเป็นแบบอย่างนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งมีหลักบีานที่เราได้ปฏิบัติตาม เมีวัดป่าข war ึ้นในประเทศไทยเก้าร้อยกว่าวัดเอายรื่องอย่างพระหมากระจับปะเยอะแยะอาหารมีพิกษุนนีนักธรรมะมากมายพระวาชิกานักบวชเป็นผู้หญิงโดยพิกษุนนีเป็นกำบอง เสริมสร้างกับหงคพระสงฆ์ร่วมกันภิกษนณีก็ดังๆเอตตคะหลายรูปแค่ๆพวกเราไม่จนยิ่งในคำสอนทำที่นำมาปฏิบัติกับชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราคู่ถึงความเป็นพุทธะได้ ต่างเก่าคนภวะเดิมได้แล้วก็พัฒนาเยี่ยงอย่างให้เกิดสังขะขึ้นในครอบครัวได้สมัคคีกันมีความสมัครคีมีความเห็นด้วยร่วมมือกันในหมู่สังขะสังขารคือความสมัคคีนในครอบครัว ก็เกิดมีความสงบรลมเย็นตามสมควรเจอธางที่นำไปปฏิบัติเป็นเครื่องหมายของชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชื่อมีธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติมีมาตรฐานของการใช้ชีวิตมีศีลมีธรรมว่าทำให้กับสงบรลมเย็น ในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติได้เพราะว่ามีมาสถานของการปฏิบัติทฐานะเป็นชาวพุทธและก็มีการท่าทายหลักการปฏิบัติสามารถสัมผัสได้ในประเทศไทยในรามคำสอนสะดวกกว่าที่อื่นๆ วาสนาพูดแบบไทยๆวัดว่าอรามแบบไทยๆยาระสงแบบไทยๆวัฒนธรรมแบบไทยๆกลมกืนกันพอดีงดงามเดืนวันนี้ในประเทศไทยก็ประกาศให้หน่วยราชการต่างๆใส่ชุดขาวภายในเจ็ดวัน <c oughs> ไปราชการไปไประชุมที่ไหนก็ให้ใส่ชุดขาววันนี้ก็ทำให้เกิดกระตือรือร้นกันด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจอย่างที่พวกเรามาที่นี่มาจากไกลๆจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอะไรหลายที่พื้นที่ก็ทำให้งดงามมาชื่นใจว่ายินดี มีควมเห็นด้วยเห็นด้วยการตัดสัตวรู้มีจริงพระธรรมมีจริงปฏิบัติได้จริงพระสงฆ์เกิดมีจริงผู้ทธิทรูปธรรมมีจริงพุปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆตามทุกควรเจ้ผู้ปฏิบัติแล้วก็เราก็มาพูดถึงทัวปฏิบัติเขาก็เข้าถึงได้จริงจรงิเหมือนพระเจ้าแสดงธามว่าในเอ๋ยสัตว์สี รูเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรเกี่ยวกับมันอย่างไรตรงนี้เข้าสนามฝึกเราเห็นอะไรที่มันผิดมันถูกจากกายจากใจเราสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเกิดจากกาจากใจเราเราใช้กายใช้ใจแบบไหนที่มันผิดพลาดมาพอเรามาศึกษามามีสติจะได้เห็นสนุก เปลี่ยนรายเป็นดีทางกายทางใจเลยหัดนิสัยใหม่เคยหลงก็ได้เกิดความรู้เคยทุกข์ก็ได้ความรู้ได้ความไม่ทุกข์เคยโกรธก็ได้ความรู้ได้ความไม่โกรธไปเปลี่ยนดูแล้วมันเปลี่ยนได้เห็นความทุกข์เกิดจากความคิดความคิดก็เป็นทุกข์ พอดูไปดูไปมันก็ไล้โค้มูลด้วยหลักฐานความเทศความจริงมาเชอทุกความคิดเห็คนความคิดมีสติรู้แล้วรู้อีกไม่ได้ตั้งใจเลยมันคิดขึ้นมาเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวอยู่มันก็คิดขึ้นมาเราก็ได้เห็นมันเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ขัางแล้วขัางเล่า กเห็นสิ่งที่ผิดได้มาเป็นสิ่งที่ถูกมันทําให้คมตรงนี้เหมือนฝนมีดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหินที่ที่อยู่ในมีดที่อยู่ในก้อนหินกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันเกิดความคมขึ้นมาถ้ามีดไปวางไว้ก้อนหินเฉยเฉยมันก็ไม่เกิดคมสติที่มัน เห็นความหลงมาเกิดความรู้ความสติที่เห็นความทุกข์เกิดความรู้สติเห็นความผิดเกิดความรู้เหมือนกับการผลบีดเมือนเกิดคมขึ้นมาองก็เป็นอเนกสงของคมของสติมันก็ตัดขาดเหมือนหลวงปู่เทียนพูดในคําสอนไว้ว่า มีสติเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ดีๆความคิดเหมือนที่แรกก็หยอบๆมาค่อยไม่ค่อยละเอียดเฉยได้โอ้ลู่ไปลู่มามันคมเห็นความคิดเหมนวูบเหมือนคนมาผลักหลังโอ้วันรุนแรงเอ้ามาเกิดอะไรขึ้นดูอีกกว่านะโอมีสติไปเห็นความคิดใหม่โอ้หมดโอ้มันเกิดตรงนี้ผมเพเห็นว่ามันเกิดตรงนี้ สังขารสมุทัยมันเกิดตรงนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ก็เหมือนกับว่าเชื่อกขาดพรมืนคมแต่ก่อนมันก็เฉยๆในความคิดเพราะว่ามีสติเป็นเพียงเปรียบเทียบมันขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ในการปฏิบัติพวกเราก็เข้าถึงภาวะเช่นนี้นักปฏิบัติมากจะเห็นอันนี้ เห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจกำลังมีสติอยู่มันคิดไปนูน่นกับตาหัางแล้วข้างเล่าเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนหลงเป็นลูกวพอดีพอดีก็มีสติก็ตรงกับความหลงมันก็ตรงกันพอดีเหมือนกับเหมือนตาอะไรอยู่ข้างหน้าก็ต้องเห็นเพราะมีสติมันเป็นหน้าโลกเอ้ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเรา ก็มันก็บอกวามเทก่กวมจริงใหญ่ได้หลักได้ฐานเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปเป็นนามมีอะไรที่เกิดขึ้นกับรูปกลุ่นามเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นระเบียบแต่ก่อนมันปนเปนกันรุ่มร่ายก็มีคุ้มดีก็มีแบบนี้มันได้ฐานได้ที่ตั้ง ในความไม่ดีมันเกิดความหนีขึ้นมาความผิดทําให้เกิดความถูกขึ้นมาด้วยความถูกผู้ความผิดด้วยปัญญาพบปัญหาขึ้นมาปัญหาตรงไหนมีปัญญาขึ้นมาผิดตรงไหนมีความถูกขึ้นมาหนักตรงไหนมีความเบาขึ้นมาในทางฝึกหัดจิตใจของเราเนมันจึงการเกิดการเปลี่ยนแปลง เรียกว่าวิปัจนาพ้นภาวะเก่าๆล่วงพ้นภาวะเดิมๆรู้จักด้วยตนเองเป็นอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรจนอาจจะประกาศสักวันหนึ่งในหัวใจลึกๆถูกหลอกโดยตลอดเวลา ความคิดหลอกความโกรธทให้เสียเปียบความโกรธความทุกข์ตรงท้องที่มาไม่ถูกก็ยองทุกข์ยางโกรธรู้ว่าไม่ดีพอมาปฏิบัติเข้าเป็นมาใช่ความรู้เหมือนเห็นแจ้งสัมผัสดูไม่ถูกต้องจริงๆระหว่างความหลงกับความรู้ระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์ระหว่างความโกรธกับความไม่โกรธสัมผัส คุณเคยเป็นนิตสยัยได้สัมผัสด้วยชีวิตกิจใจลึกซึ้งก็รู้จักเลือกทำให้แจ้งเหมือนทำไว้จากที่พระเจ้าแสดงว่าทุกข์มันขึงกำหนดรู้รู้แล้วก็บ่าทุกข์นีงรู้แล้วรู้จริงๆไม่ใช่สุขเลยรู้แจ้งในความทุกข์ความไม่ทุกข์ต่างกันมาก เมื่อเห็นความทุกข์เห็นเหตุที่มันทาให้เกิดทุกข์ก็ก็ละได้จริงใดทันเกิดทุกข์ละได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนได้จริงจริงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนได้จริงจรเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนได้จริงๆรงต้องละเหตุที่เกิดทุกข์ต้องละมาให้เราละไม่ใช่ไหมฮะเราเอามาจับมาเสียบเรียบมานอน อยู่กพวงโกดข้ามหวานข้ามคืนไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อพึงหัดไปก็เลาะได้โลกสัมงไมแฉ่งแฉ่งจิงจิ ง, ง, งไม่ต้องถามใครไม่ต้องถามใครตัวเองสัมผัสไม่มีคําถามสัจธรรมไม่มีคําถามไม่แต่คำตอบตอบด้วยตนเองรู้แจ้งจริงจิง นี่เลยว่านี่โลดทําให้แจง้งวิธีปฏิบัติก็ทําให้มากขึ้นจเจริญมากขึ้นมีมากขึ้นมีสติมากขึ้นเมื่อมีสติมากขึ้นความไม่มีสติก็หมดไปหมดไปมันก็จบเป็นมันก็จบเป็นเออมหลงก็จะไปข้างสุดท้ายเ อ, อมเทุมกข์เป็นข้างสุดท้ายความโกรธเป็ข้างสุดท้าย ในชีวิตของเรานี่เราก็มีมาตสถานประกาศตัวเองได้ตัวนี้ไปอันคว่าสุขว่าทุกเกิดจากกายจากใจไม่มีอีกแล้วมีแต่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไป ม, มีความสุขความทุกข์ไม่โกกาสเอาใจไปเป็นเรื่องสุขล่องทุกข์แล้วก็ เกิดเลยขึ้นมาเกิดเมตตากรุณาขึ้นมาไม่บีบเบียนตนเองไม่บีบเบียนคนอื่นเด็ดขาดมันก็ไปเป็นประโยชน์เพื่อกลุกันไปที่ว่าชาวพุทธบริษัทจะเล่นในสิ่งในธรรมเกิดขึ้นไอ้โมโมดุษของเรานี่มันพัฒนามาได้มันหลงไม่หลงก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มีจิตที่ เวลาเหมือนโกรธมีสติไม่โกรธใช้สติของตนได้ไม่ต้องขอญาติจากใครเรที่ไม่ดีมีสติทําให้มันดีได้ในกายในใจเรานี้มันก็เหนือากา็เกิดเจ็เจ็บตายได้ไม่ได้เจ็บเพราะความเจ็บไม่ได้ทุกข์พวามทุกข์ไม่ได้ทุกข์พวงตายอย่างนี้ ความคิดก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังไม่เผกนะคิดขึ้นมาเรานอนไม่หลับก็มีหยุดความคิดก็ไม่เป็นคิดขึ้นมาแล้วน้ามตาไหลก็มียังความคิดก็โกรธเป็นทุกข์ได้มาควรที่จะกพัฒนาตนเองแค่นี้หรือชีวิตเรา บางทีคนที่รักก็กลายเป็นค่ยเกลียดชงังรคบลาคมดีมีใจก็เพิ่งใจไม่ได้ในบ้านใหญ่ตัวเองอย่างนี้มันจะปลอดภัยได้งไงอยู่กันได้ความสงบร่มเย็นได้อย่างไงแต่ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้จึงมีธรรมข้อปฏิบัตินี้ให้ฝึกคัดตน โดยเพราะวิชากรรมฐานนี่เป็นการพัฒนาชีวิตตนรุ่นได้เปลี่ยนกายได้เห็นกายเห็นใจตั้งต้นที่นี่จะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับเราหวมหลงอยู่เกิดขึ้นก็ความไม่หลงเขาอยู่ที่ น, นั่นเหมือนหน้ามือหลังมือหัดเปลี่ยนความล้ายเป็นความดีด้วยปฏิบัติธรรมหัดเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกด้วยปฏิบัติธรรมมีให้เราได้เปลี่ยนเยอะแยะ มาเข้ากับมาฐาในสนุกเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้เห็นบางทีมันใช้ชีวิตไม่เป็นเปิือเื่อ น, นมามากแต่ใช่ไห่ถูกจริงๆก็จะไม่เจ็บแค่รดบุ่ยได้เหมือนแบบนี้มารหัสฝึกหัดใช้ชีวิตมันถูกต้องชัดเจนแม่นยำถูกทาถูกซ้นขึ้นมาอย่าปล่อยปละละเลยชีวิตของตัวเอง มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้แ้่ใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษเนาะกายใจเนี่ยแต่ใช่ถูกก็เป็นประโยชน์แล้วเรานี่ก็เป็นชีวิตสังคมมีครอบครัวผัวเมียพ่อแม่พีพพพพพพ่น้องลูกหลานไม่ไม่ใช่เจ้าคนเดียวระทบกข์เทือนกันเลยหลายอย่างถ้าเราไม่ทำเราก็โอ้ เราเป็นลูกดีพ่อแม่ก็มีความสุขถ้าลูกเป็นคนชั่วพ่อแม่ก็มีความทุกข์มันกระทบกระเทือนกันไปถ้าเราเป็นคนดีมีความสุขลักพอ่อลักแม่เราก็ต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรมรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักปัญญาสามีก็ต้องมีศีลมีธรรมเราพูดต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติ อะไรที่ทำในโลกนี้มีมาตสถานต่ไม่เบี่ยเบียนต น, น, นไม่เบี่ยเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบี่ยเบียนสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็เกิดความดีขึ้นมามากมายจากคนคนหนึ่งเช่นพระเจ้าเตตัจจรู้เป็นผมกระทบต่อพวกเราในเวลานี้วันนี้ได้เช่นการไม่ใช่ว่าสอง พันหกร้อยปีมันคือวันนี้คือชีวิตวันนี้วินาทีนี้เราได้สัมผัสธรรมเล็กแต่น้อยไปไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าปริพานตั้งแต่รูปกายแต่ว่าธรรมที่เป็นของพระเจ้ามันเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพระเจ้าผู้ใดเห็นพระพุระเจ้าผู้นั้นเห็นพระธรรม นี่คือความจริงไปอย่างนี้สามารถสัมผัสได้พุท ธ, ธะก็คือผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานไม่ได้มืดบอดหลงก็ไม่เป็นหลงหลงก็เป็นรู้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้มืดเห็นเห็นไม่เป็น ถ้าผู้ลูกผู้ตื่นผู้บุกบานเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่หรือเลเบิกตื่นผู้ลูกผู้ตื่นถ้าทุกข์เป็นทุกข์มันมืดหลงเป็นหลงมันมืดโกรธเป็นโกรธมันมืดถ้าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่สวางแจ้งมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันหิวเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวมันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายไม่ตายผู้ห่วงตายไม่เจ็บผู้่วงเก็บเห็นมันไม่เป็นกับะมานนี่เรียกว่าลู่แจงทำได้แล้วก็เบ่าวได้ เป็นลวมันนักมันมืดมันมีทางอยูน่นี่ในความมืดมันมีแสงสว่างโดยเพราะการเจริญสตินี่ให้พบทางจริงจริงไม่จนจริงจริงไม่จนต่อเรื่องการเรื่องใจจริงจริงไม่จนต่อกายต่อใจอะไรที่เกิดกับกายกับใจไม่จนจริงจริงมีทางมีทางเป็นไปออกได้ออกได้ หลุดได้คนได้ทุกเรื่องอลูกก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังหารเป็นทุกถ้าเราไม่ศึกษาก็มืดมีความทุกอย่างเอาแล้วมีความทุกเป็นเมื่อหน้าแล้วโกรธแล้วโกรธตีกี่สงไข่โกรธทุกแล้วทุกอี ก, อกสงไข่ทุกไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง หลังจากชวนกันมาศึกษาปฏิบัติเห็นสนามฝึกแล้วก็ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละถ้ารู้จักศึกษาปฏิบัติใช่ได้เลยไม่ต้องมาฝึกมันเห็นมันรู้แล้วไม่ต้องฝึกเหมือนเราเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้ก็ไม่ต้องไปเรียน ก็ไก่ขอไก่ให้ด เ, เลยได้ปัญญาเกิดจากกายจากใจดีจึงจะเป็นใจยั่ความหลุดคนนะ้นน่าโมทนาคับชาวพเหล่าที่มาจากไก่ๆมาร่วมกันวิสาขาที่นี่และอุ่นใจมีหวังมีที่พึ่ง มีคนไทยที่สนใจเรื่องการศาสนานำไปปฏิบัติเหมือนกับเป็นที่พึ่งทีอ่อาศัยเพราะฉะนั้นขอให้เราเลยทำในใจตลอดเวลาในการปฏิบัติ อันนี้ก็สมควรใช้เวลากับภาพพร้อมกัน